จะทำให้เธอเป็นคนโชคดีแต่กับกลายเป็นฉันทีมันโชคดีกว่าใครคนไหน oh จะตอบแันรักที่ให้มาด้วยทั้งหัวใจที่ฉันมีทำกลางคนเป็นล้านบนโลกไปนี้จจกหลับเลิกฉันก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้จะไหมแต่ฉันตั้งใจจะไม่ทำให้เธอผิดหวังฉันรู้ว่าฉันไม่ไดีกว่าใครขอบคุณที่ให้ฉันรักเธอกอดแล้วละใจใเธอหรือไปไดไหมอาจจะทำให้เธอเป็นคนโชคดีแต่กกลายเป็นฉันที่ เธอเป็นคนโชคดีแต่ก็กลายเป็นฉันที่มันโชคดีก็ใครคนไง โ, โอ้จะตอบแทนรักที่ให้มาด้วยทั้งหัวใจที่ฉันมีเธอคือความสุขของทุกวันรู้ไหมลองเธอไม่ไหวถ้าไม่มีเธอแม้จะไม่ได้แต่ว่าอะไรอะไรคง โชคดีแต่ก็กลายเป็นฉันที่มันโชคดีกว่ารู้ ว, ว่าเธอเข้ามามันจะไม่รอกของฉันเปลี่ยนไปไม่อยากจะทอไม่เธอเป็นคนโชคดีแต่ก็กลายเป็นฉันที่มันโชคดีกว่าใครคนไหน้จะตอบแทนรักที่ให้มาโดยทั้งหัดใจด้วฉัน เธอเป็นคนโชคดีแต่ก็กลายเป็นฉันที่มันโชคดีกว่ารู้ไหมวา่าเธอเธอเข้ามาทำให้โลกของฉันเปลี่ยนไปอยากเเธอไม่เธอเป็นคนโชคดีแต่ก็กลายเป็นฉันที่มันโชคดีกว่าค